ก็กราบบูชาประธานไตรัยกราบบูชาครูบาจารย์นึแต่งหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบกรวะหลวงพ่อกมประธานสงฆ์ก็กราบครูบาจารย์พระเถระเพื่อนสาธมิกขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกุบาสิกาทุกท่าน ก็หลังจากที่พวกเราได้ไว้พระสดมน่นะก็สังเกตดูจิตใจของเรานะตอนนี้จิตใจของเราเป็นอย่างไรนะการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยนะเราเรียนรู้เข้าไปที่กายที่ใจของเรานี่แหละตำราเล่มใหญ่หนังสือเล่มใหญ่ วาตายไปดอกที่แท้จริงอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความจริงนะที่แสดงให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเราใช้ตาเนื้อนะที่จะดูโลกนะดูสิ่งภายนอกเรียนรู้โลกเนี่ยเรียนรู้สังคม เราใช้ตาในก็คือความรู้สึกตัวเข้านะไปเรียนรู้โลกภายในนะมีคนแต่งกรอนเอาไวนะ้ก็บอกว่าโลกภายนอกกว้างไกลใครๆรู้โลกภายในลึกซิ้งอยู่รู้บ้างไหมจะมองโลกภายนอกมองออกไปจะมองโลก ภายในให้มองตนอันะนี้ก็เป็นกำกรอนที่ก็แต่งไว้ดีมากเออพวกเราส่วนใหญ่นะก็โกงได้เรียนรู้โลกข้างนอกนะด้วยตาเนื้อกันมามากพอสมควรนะแต่โลกภายในเนี้ยนะมันอยู่ใกล้ตัวมากนะ่เราอาจจะหลงลืมหรืออาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร ระฉะนั้นชีวิตของเรานะบางทีก็สุบ้างทุกบ้างนะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะยิ่งโดยเฉพาะยงยิ่งนะการทำาการงานต่างๆนะบางทีก็มีเรื่องมากระทบใจของเรา่นะบางทีก็ทำใจได้บางทีก็ทำใจไม่ไดนะ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องหันกลับมาดูใจของเรา นะซึ่งวันก่อนท่านจันไปสารนะก็ได้พูดไปแล้วว่าสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่มีค่าก็คือใจที่ประเสริฐนั่นแหละนะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมาดูนะมาเรียนรู้มาเข้าใจในจิตใจของเราจิตใจเป็นนามนธรรมเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหยิบจับ นะเอามามองด้วยตาได้น่ะจำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวน่ะหรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองทนนี้นสติสัมปชัญญะเนี่ยทุกคนก็มีอยู่แล้วความรู้สึกตัวทุกคนก็มีอยู่แล้วน่ะเพียงแต่ว่าที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอน่ะเรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวในการที่จะทาการทางาน ในการที่จะติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนแต่ความรู้สึกตัวที่มีเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอไม่พอคือมันไม่ทันนะไม่ทันกับอารมณ์ไม่ทันกับความคิดความนึกนะซึ่งเป็นตัวสร้างโลกภายในขึ้นมาอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีความคิดปรุงแต่งต่างๆนะที่เกิดขึ้นภายใน ซึ่งเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นพลังงานอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเราและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เร็วมากๆเร็วกว่าแสงนะแสงนี่เร็วที่สุดในโลกนะแต่ความคิดเร็วกว่าแสงเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยสิ่งที่มันเร็วทันกันหรือมันเร็วกว่านะสิ่งที่เร็วกว่าความคิดก็คือความรู้สึกตัวนะเราคงเคยได้ยินคำไทยๆเ ร, เราบอกระลึกนึกคิด ระลึกนี่มันมาก่อนนึกคิดี่มันมาทีหลังเพราะนั้นสิ่งที่เร็วกว่าแสงเนี่ยไอนสไตน์บอกไม่มีตัวตนสิ่งที่เร็วกว่าแสงก็คือความคิดสิ่งที่เร็วกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวเพ <c oughs> ราะนั้นที่เรามาฝึกกันเนี่ยเรามาฝึกสิ่งที่มันเร็วนะมันไวนะไวกว่าความคิดไวกว่าอารมณ์ แต่ที่มันยังใช้การไม่ได้เพราะมันเฉยนะเราไม่ได้ฝึกไม่ได้กระตุน้นไม่ได้ปลุกไม่ได้ร้าให้มันเกิดขึ้นมาเระนัรนการที่เรามาฝึกเนี่ยจุดประสงค์สำคัญก็คือเรามาปลุกรา้าความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มีความฉับไวขึ้นให้มีความว่องไวขึ้นนะซึ่งวิธีการในการฝึกก็มีหลายรูปแบบนะตามในคมภีนีก็พูดไว นะถึง40วิธีนะก็มีมากมายนะแต่ที่นี่เนี่ยเราเลือกมาสักหนึ่งวิธีนะซึ่งก็จะแตกต่างไปจากการฝึกจิตปะปวนา <c oughs> หรือฝึกกรรมฐานนะที่เราคุ้นเคยกันส่วนใหญ่การฝึกกรรมฐานก็ดีจิตปะปวนาก็ดีเนี่ยนะเรามักจะให้ความสนใจตรงที่นั่งนิ่งๆนั่งหลับตาให้มันสงบเงียบ นะซึ่งอันนั้นก็เป็นพิธีหนึ่งนะที่ครูบาอาจารย์นะได้เผยแพร่ถ่ายทอดกันออกมาแลนะสนใหญในประเทศไทยเรารไม่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะทั่วโลกอะ่ะเราก็จะคุ้นเคยกับการนั่งหลับตาการนั่งนิ่งๆนะเพื่อให้มันมีสมาธินะก็ว่าอย่างนั้นนะซึ่งตรงนี้นะก็เป็นพิธีการหนึ่งที่ ใช้ได้ทีเดียวนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราสติหรือความรู้สึกตัวเราไม่ตื่นเนี่ยนะมันมักจะหลงหรือมักจะหลับนะก็คือนั่งนิ่งๆแล้วก็หลับแล้วก็ง่วงไปเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้เราปัญญาเนี่ยมันไม่เกิดนะก็เรียกว่าเป็นสงบนะสงบแบบนิ่งแบบไม่รู้ตัว เป็นความสงบแบบไม่รับรู้อะไรซึ่งความสงบแบบนั้นเนี่ยน่ะมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกสบายๆน่ะรู้สึกว่าเออไม่ต้องคิดอะไรซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาแต่ที่เรามาฝึกกันที่วัดป่าสุกโตเนี่ยน่ะบางคนอาจจะแปลกใจน่ะเอ๊มันจะเป็นความสงบได้อย่างไงเพราะไม่ต้องหลับตาใช้ลืมตาแลวไม่ใช่มันมึนๆโดยมันมีการเคลื่อนไหวด้วย อันนี้มันจะใช่หรือมันจะเป็นสมาธิได้หรือนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยก็ตัวกับผมนึกถมาเองตอนที่ไปเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ใหม่ก็สงสัยเหมือนกับพวกเราเนี่ยแตนะ่ว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้อย่างไงนะแล้วมันมีเหรอในพระไตรปิฎกมีหรือในคัมภีร์มีหรือนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นสิบสี่จังหวะนะเป็นอริยอริยบทนะ คืออริย บ, รบพะนะในหมวดของกายานุปัสนาสติปทานนะแล้วก็สัมปชัญญะ บ, บพะก็คืออาศัยรู้สึกตัวการรู้สึกตัวเนี่ยกับอิริยบถนะยืนเดินนั่งนอนนะก็ให้มีความรู้สึกตัว้วยมาแต่การกินดื่มพูดคิดนะการนุ่มห่มนะการ ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยก็ให้เรามีความรู้สึกตัวนะก็คือรู้เนื้อรู้ตัวกับกิจกรรมต่างๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับพวกเราซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนไหวจะต้องทำการทำงานนะในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เรานิ่งไม่ได้ลนะเราต้องทำนู่ทนทานี่โอกาสที่เราจะนั่งนิ่งๆเนี่ยมันมีน้อย เพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกความรู้สึกตัวลงไปในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับไปใช้กับชีวิตประจําวันได้นะซึ่งตรงนี้เนะี่ยก็เป็นประโยชนนะ์ของการที่เราจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะเราคงไม่ไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งนิ่งๆหลับตานะเพื่อให้มันสงบนะอย่างนั้นแต่เราสามารถที่จะมีความสงบ แม้ขณะเคลื่อนไหวเป็นความสงบที่ตื่นตัวเป็นความสงบที่รู้ตัวไม่ใช่ความสงบแบบนิ่งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ออกจะดูแปลกไปหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยคนที่มาครั้งแรกนะตรงนี้เนะี่ยก็อยากจะให้ทำความเข้าใจว่ารูปแบบของการปฏิบัติมีมากมายนะแล้ววิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะใช้ เวลาที่จะฝึกแล้วก็สามารถจะนำไปใช้ได้ทีนี้เนื่องจากความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นนามธรรมามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นดรืการที่เราจะเข้าไปดูใจเข้าไปเรียนรู้กายใจของเราเนี่ยและบางทีมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปหยิบจับมาไม่สามารถที่จะตาเนื้อดูได้นะเราก็จำเป็นจะต้องอาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละความรู้สึกตัวเป็นนามธรรมา นะแต่ว่าเราสามารถที่จะปลุกเราได้นะด้วยการเคลื่อนไหวของกายเราอาศัยกายที่เคลื่อนไหว น, นี่แหละถ้าเราไม่นิ่งเนี่ยบางทีความรู้สึกตัวมาจะไม่ชัดนะเพราะนั้นเราเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวเพื่อปลุกความรู้สึกตัวให้มันเติ่นขึ้นความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วนั่นแหละให้มันเติ่นขึ้นในขณะที่เราเดินจงกลมก็ดีในขณะที่เราสร้งางจังหวะก็ดีเนี่ย ให้เราเจตนาเลยเจตนาที่จะรู้การเคลื่อนการไหวนะการยกมือเนี่ยนะ <c oughs> สำหรับผู้ใหม่เนี่ยเาอย่าไปทำเร็วทำนะช้าให้เป็นจังหวะให้มีการเคลื่อนให้มีการหยุดพลิกมือก็รู้ยกก็รู้หยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้รู้อะไรรู้การเคลื่อนไหวไม่ได้รู้อะไรมากกว่านั้น ซึ่งตรงนี้เป็นความรู้สึกตัวเฉยๆอย่างที่ท่านจันประสานได้พูดเอาไว้วนก่อ น, นรู้เฉยๆเนี่ยมันไม่รู้อะไรมากกว่านั้นอย่าไปรู้อะไรมากกว่านั้นนะถ้าไปรู้อะไรมากกว่านั้นแล้วมันเป็นคิดรู้ก็ไปละการศึกษาธรรมะเนี่ยเราไม่ใช้ความคิดเลยนะใช้สัมผัสรู้รู้สึกกับการเคลื่อนการไหว แม้แต่การเดินชมกลมก็รู้การยกการย่างการเหยียบโดยสัมผัสรู้นะไม่ได้เป็นนึกรู้ไม่ได้เปคิดรู้ไม่ต้องไปบริกรรมด้วยนะหลายคนอาจจะเคยผ่านวิธีการบริกรรมซึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งนะก็เป็นรูปแบบนะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้นำเสนอไว้นะแต่ว่าในการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่ต้องใช้คำบริกรรม เราไม่ต้องไปใช้ความคิดเราเพียงแค่รู้ตรงๆลงไปแลนะซึ่งตรงนี้อาจจะยากสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่คุ้นเคยกับการใช้ความคิดที่จะคิดรู้เื่าะระบบการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยนะให้เราคิดให้หาเหตุหาผลแต่การทำแบบนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกเลยรู้ตรงๆลงไปเพียงแค่รู้สึกกับการเคลื่อนการไหวแค่นั้นเอง ในขณะที่เราทำนะํำความรู้สึกที่กายเนี่ยมันจะชัดนะเราทำบ่อยๆเอที่เราต้องทำบ่อยๆเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความเคยชินความเคยชินที่จะรู้สึกกับการเคลื่อนไหวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดนิสัยใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่านิสัยแห่งความรู้สึกตัวชีวิตที่ผ่านมาของเรานั้นนะ เราอาจจะคิดเรื่องนั้ น, ค, น, ค, ค, นคิดเรื่องนี้คิดการคิดงานคิดเรื่องครอบครัวนะนั้นเป็นนิสัยการที่เราใช้ความคิดหลงไปในความคิดนะเพราะนั้นการมาฝึกนี่ก็คือมันมันทวนกระแสมันกลับเลยนะกลับกับนิสัยเดิมนะก็จำเป็นจะต้องทำบ่อยๆทำซ้ำๆนะซึ่งบางคนอาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อกันมานะซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นธรรมดานะคนที่ฝึกใหม่ทุกคนจะเป็นหรือแ ม, ม้แต่คนเก่าก็เป็นเหมือนกันนะบางทีเราก็เกิดความเบื่อขึ้นมาความเหนื่อยล้าขึ้นมานะความท้อถอยขึ้นมามาวานตั้นจันไปสารก็บอกว่าถ้าเราเง่วนะ ง, งก็อย่าท้อนะถ้ามันฟุ้งซ่านก็อย่าท้อนะทําต่อไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นนะที่จะต้องทํานำะให้มันต่อนเนื่อง การเจริญสตินี่ต้องทําให้ต่อเ น, นื่องนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดผลนะเหมือนกับเราเต้มน้ำนะถ้าสมมุติว่าภายในยี่สิบนาทีมันจะเดือดถ้าเราเสียบไปแค่ห้านาทีแล้วเดินดึงออกมันก็ไม่เดือดเสียบใหม่ไม่ถึงยี่สิบนาทีมันก็ไม่เดือดนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะจำเป็นที่ต้องทําให้มันบ่อยๆทําให้ต่อเ น, นื่องโดยเฉพาะ ย, ายิ่ง เรามีเวลาที่จํากัดนะโดยเฉพาะกลุ่มที่มามีเวลาห้าวันบ้างเจดวันบ้างเพราะฉะนั้นในแต่ละเวลานาทีเนี่ยขอให้เป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวนะทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบในรูปแบบกือการยกลายยกมือสร้างจังหวะเดินชมกลมเนี่ยนะเราทําให้มันเต็มที่เลยให้เวลากับมันเต็มที่เลยนะเมื่อเร า, ามีความรู้สึกตัวที่กาย บ่อยๆชัดเนี่ยนะใจมันจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ก่อนมันเคยลหลเหยื่อเลื่อนไปในเรื่องต่างๆนานในเรื่องที่เราสนใจนนในเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องต่างๆแต่ตอไปนี้เนี่ยมันจะกลับมาอยู่กับตัวเรียกว่าใจามีสติอยู่กับกายาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนที่มี ความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่บ่อยๆนะทีนี้ในขณะที่เราทําเนี่ยนะพยายามตั้งจิตตั้งใจทําให้มันต่อเนื่องอย่างเช่นนั่งเนี่ยลองนั่งดูสักครึ่งชั่วโมงนะเรื่อนหนึ่งชั่วโมงลองนั่งดูนะมันจะมีอะไรให้เราได้รูเร้ยเยอะเลยนะโดยเฉพาะความปวดความเมื่อยเนี่ยแต่ก่อนพอเราเปวดเมื่อยปุ๊บเราก็จะลุกเปลี่ยนทันทีนะซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็จะไม่เห็นนะไม่เห็นสิ่งที่มันเป็นความจริงของร่างกายความจริงของร่างกายอันนึงก็คือมันเป็นก้อนทุกข์นะมันก้อนทุกข์มันปวดมันเมื่อยมันเหน็บนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราใช้อิริยาบถเปลี่ยนไปเราก็เลยไม่เห็นทุกข์นะตรง น, นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราพลาดโอกาสสําคัญไปทีนี้นเมื่อเรานั่งนานเราปวดเราเมื่อยนะให้เราสังเกตอยู่นะ ถ้าเราไม่คุ้นเคยเราก็จะเกิดหงุดหงิดขึ้นมาแล้วไม่พอใจขึ้นมาแล้นะตรงนี้เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องจิตอีกแล้วนะเพียงแค่นั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเนี่ยเรียนกายเรียนเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะความพอใจไม่พอใจนั่นะนะมันได้เรียนรู้เลยเรียนรู้ตรงๆไปเลยนะเมื่อเราเห็นอย่านี้แล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถนะเราสามารถเปลี่ยนได้ แต่เราเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวนะให้มันขอเราสักสองครั้งสาครั้งก่อนอย่าไปพร้อมเมื่อปุ๊บเปลี่ยนทันทีเลยตอนนี้เราจะพลาดโอกาสนะที่จะเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องเวทนาคือความรู้สึกเรื่องของจิตนะซึ่งมันมาพร้อมกันในเวลาใกล้เคียงกันแตนะ่จริงๆมันไม่พร้อมกันหรอกมันมาอย่างแต่มันเร็วมากนะเป็นปฏิกิริยาเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นะซึ่งตรงนี้เนะี่ยถ้าเรามีตาที่คมก็คือความรู้สึกตัวที่ชัดเนี่ยมันจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยไม่ได้ไปเรียนรู้ไกลเลยนะไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้นะจริงๆนะเรียนรู้มาที่กายที่ใจของเราเนี่ยในขณะที่เรานั่งนานๆในขณะที่เราทําอย่างต่อเ น, นื่องเนี่ยเราจะได้เรียนรู้นะสิ่งเหล่านี้นะกาย เวทนาจิตจิตก็คือความคิดนึกคุณแต่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสร้างจังหวะก็ดีเดินจงกุมก็ดีตรงนี้เนี่ยมันจะชัดนอกจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นธรรมชาติเรียกว่าธรรมะหรือธรรมชาติเมื่อเรานั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยบางทีมันก็คิดนึกไปในเรื่องราวต่างๆ แต่ว่าจะไหวไหมทนได้ไหมนี่สิ่งเหล่า น, นี้นะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นน่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ความรู้สึกตัวที่เรามีอยู่แล้วน่ะมันตื่นขึ้นน่ะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นปรากฏการ์เหล่านี้ไม่เห็นอาการเหล่านี้แต่ก่อนเนี่ยเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้น่ะเราก็หลงยึดถือว่าเป็นตัวเราปรวด ตัวเราเมืยตัวเราหมุดหิดตัวเราพอใจไม่พอใจนะแต่ถ้าเราดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเราจะเห็นได้ว่าอ๋อันนี้มันก็เป็นธรรมชาติของมันเนาะเป็นธรรมชาติของกายที่ก็จะเจ็บจะปวดจะร้อนจะเย็นนะความคิดที่ว่าเป็นตัวเราเนี่ยนะมันก็จะไม่มีนะความสําคัญมั่นหมายในตัวเราว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันก็จะไม่มี นะมันจะเกิดความอึมละอาว่าโอ้เราหลงแบบยึดถือตัวเองมามากมายนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นสติสัมปชัญญะเป็นปัญญาที่มาพร้อมกันนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องใช้ภาษาก็ได้เป็นอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ตรงตรง ดังการที่เรามาแดนจมกลมสร้างจังหวะเนี่ยมันจะเกิดผลตรงนี้และถ้าเรามีความรู้สึกตัวได้ชัดเนี่ยนะต่อไปมันจะขยายผลมาไปในกิ จ, จวัตรในกิ จ, จกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันมาตั้งแต่ตื่นนอนมาจนเข้านอนมาถ้าเรามีความรู้สึกตัวชัดเนี่ยมาอย่างเช้าถ้ามีความรู้สึกตัวชัดเนี่ยพอเรารู้สึกตัวตื่นเนี่ยอ่ะเราก็ กับเด็กไม่เล่นพลิกเท้าเล่นไม่มีความรู้สึกตัวยังไม่จําเป็นจะต้องลุกเราก็มีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนการไหวของเราลุกขึ้นด้ยความรู้สึกตัวเก็บข้อหุ่มเก็บที่นอนหมอนนุ่มจัดระเบียบให้เรียบร้อยด้วยความรู้สึกตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเจริญสติที่ต่อเนื่องลุกเข้าลุกขึ้นมาไปเข้าห้องน้ำ ล้างหน้าล้างตาด้วยความรู้สึกตัวสัมผัสกับความเย็นของน้ำนะความเงี้ยเนียตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกตัวเราก็รู้สึกเราก็เห็นเอ็ความตื่นตัวเอ็กายมันตื่นหิ้งใจมันตื่นจากชีวิตประจําวันของเราล้างหน้าแปลงฟันตอนการแปลงฟันเนี่ยเราก็รู้สึกตัวกับการแปลงฟันได้ แต่กอเราแปลงฟันไปเราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนู้นนะเรียกว่าใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันไปกับความคิดต่างๆแต่ถ้าเราแปลงฟันแล้วเรากลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวที่แปลงฟันนะด้วยความรู้สึกตัวนี่ก็เป็นการเจริญสติกับการแปลงฟันนะซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้ความรู้สึกตัวของเรามีความต่อเนื่องแล้วนะเราก็จะ เ, เจริญสติได้ข้าองน้ํา ด้วยความรู้สึกตัวนะซึ่งตรงนี้ในพัตติบิดก็มีผู้บัญชัดนะแม้แต่การขับถ่ายแล้วก็ขับถ่ายด้วยความรู้สึกตัวนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําได้นอกจากการทําในรูปแบบการเดินชงกลมการสร้างจังหวะนะแต่เราก็มารู้สึกตัวกับกิจวัตรประจําวันการขับถ่ายการนุ่งห่มเสื้อผ้านะตรงนี้นะเราก็สามารถจะทําได้ แต่สนะิ่งตรงนี้เนะี่ยจะทําให้ความรู้สึกตัวของเรามีความต่อเออนะ น, นืนะ่องเดินมาอ๋อใจนะมาไหวพระสดมนะก็ได้พระสดมน์ด้วยความรู้สึกตัวแต่ใจเราก็ตั้งใจจดจ่ออยู่กับบทสดมน์พิจารณาไปนะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกตัวกับการสดมน์นะได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราสามารถจะทําได้นะหรือเดี๋ยวมี กิจกรรมโยคะเราก็มีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวโยคะหรือนะการเดินการเหินซนะึ่งตรงนี้เราสามารถจะทำได้การกินนะนีาก็สามารถจะทำได้แต่ก่อนเราเคยกินไปนึกไปคิดไปโครงการนั้นโครงการนี้หรือบางทีกินไปคุยไปก็ไม่นะ ต, ตรงนี้เราพลาดโอกาสและที่จะเจริญสติกับการกินนะซึ่งตรงนี้ ถ้าเราสามารถจะทำได้นะเราเคี้ยวให้มันละเอียดริมลบเปรี้ยวหวานมันเค็มรนะ้รสชาติของอาหารนะแต่บางทีเรากินไปล้วไม่รู้รอกนะว่ารสมันเป็นยังไงเพราะว่าชีวิตของเราอยู่ในความคิดใจของเราไปอยู่กับเรื่องที่คิดนะซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าชีวิตของเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มันอยู่เฉพาะหน้ากิจวัตรประจาวันที่อยู่เฉพาะหน้า ต, ตรงนี้ก็พลาดโอกาสไปเพราะฉะนั้นการเชิญสติเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้ในกะิจวัตรประจําวันเรื่องการอาบน้ําสังเกตเนะีถ้าเราอาบน้บําอย่างมีสติเนี่ยมันจะใช้น้ําไม่มากเลมันใช้เท่าที่ทจําเป็นแต่ถ้าเราอาบน้ําแบบไม่มีสตินะลาดโคมลาดโคมเลยบางทีเราไม่รู้ตัวนะถูสบู่รีบรี บ, รบถแล้วก็รีบ ร, บรบไปนะ อันนั้นเรีกว่าอาบน้ําอย่างไม่มีสติเราะนั้นการอาบน้ํามีสติเนี่ยนะก็คือเราไม่จําเป็นต้องรีบร้อนนะเราถูสบู่ให้มันะสะอาดได้มันเรียบร้อยนะแล้วก็ชำะระล้างนะน้ําก็จะไม่เปื่องนะแล้วก็จะรูส้สึกสดชื่นขึ้นมานะเพราะว่าใจกับกายมันอยู่ด้วยกันไม่ใช่ใจไปคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ นะมันไม่อยู่กับกายนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยก็ทําให้เราพลาดโอกาสในการที่จะเรียนรู้หนะรือแม้ต่หลับนอนนะเวลาเราหลับนอนบางทีคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มีปัญหนานั้นมีปัญหนานี้มนไม่หลับนะเพราะว่าใจไม่อยู่กับกายใจมันไปอยู่กับความคิดเพราะนั้นการนอนด้วยสตนะิก็สามารถจะทําไดนะ้ก็คือการที่เราปล่อยวางทุกอย่างความคิดเรื่องออกไป แล้วเราก็มาอยู่กับการนอนนะพักผ่อนเน็ดเนยพอสมควรก็นอนหลับไปหลับแล้วก็แล้วไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้ในชีวิตประจำวันของเราน อ, อกจากการเจริญสติในในรูปแบบแล้วนะแลเราก็เก็บตกนะเรียกว่ามีความรู้สึกตัวในกิจวัตรประจำวันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย การมาที่มีเวลาที่จํากัดเนี่ยพยายามพยายามพูดคุยน้อยนะเรียกว่าบำเพ็ญบารามีพระเตมีใบนะบางคนคงจะเคยได้ยินน ะ, ะต่อสัจจานแรกเลยเตมี ใ, น ใ, นใบนะปิดวาจาเลยนะในระหว่างการใช้ชีวิตในระหว่างการเจริญสติเพราะการพูดการคุยมันะเป็นรูรั่วนะเมื่อวานท่านอาจารย์ประสานก็พูดเหมือนกันนะมันมีรูรั่งนะนะอุตส่าน ะ, จะเจริญสติมาทั้งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะ น้ำมันเต็มๆคือสติมันเต็มที่แล้ ว, ลวพอเลิกลปุ๊บอ่าหมดเวลาละคั้งปึ้งหมดยุบ <c oughs> ก็ไปคุยกันเลยความรู้สึกตัวที่เราทำํำหายไปหมดเลยแม่น่าเสียดายต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะฉะนั้นผู้ที่จเจริญสติผู้ที่ฝึกแล้วมันไม่อีเกิดผลต่อเนื่องมันเน่นช้าเนะี่ยก็เพราะเราพลาตรงนี้นี่เอง่ไปพูดไปคุยไปจับกลุ่มสนท น, นาคุกกีกันมากเกินไป แต่ไม่ได้หมายกาว่าเราจะไม่พูดไม่คุยกันเลยนะจำเป็นคุยก็ต้องคุยแต่ว่าคุยเท่าที่จำเป็นนะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการอุดรูรั่วนะที่จะสติเนี่ยมันจะมีหายไปนะเพราะนั้นตรงนี้ <c oughs> เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ฝึกได้ไม่ใช่เป็นสิ่งเหลอวิสัยนะทีนี้นการที่เรามาฝึกเนี่ยฝึกไปทำไมนะก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่า โดยธรรมชาติของใจของเราเนี่ยมันจะเป็นปกตินะมันจะรู้เนื้อรู้ตัวนะแต่ที่มันไม่ปกติเนี่ยมันหลงไปเพราะหลงไปกับความคิดนะความคิดปรุงแต่งต่างๆพระเด็นการมาเจริญสตินี่ก็คือการที่เราให้ใจเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของใจอย่างเรานั่องอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีความตื่นตัว น, นะ ไม่เงเงาหงานอนนะใจของเรามันเป็นอย่างเนี้ยธรรมชาติของเรามันเป็นอย่างเนี้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นความรู้สึกเฉยเฉยเป็นความเป็นปกติเฉยเฉยเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วในตัวเราแต่เป็นความสุขที่เราสามารถสัมผัสได้เป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่เป็นโรคจิตโรคประสาทเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้น มีความมั่นคงมั่นใจในตัวเราเองและเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราในะที่เรียกว่าอัตติอัตโนนาโถเนะี่ยตนเป็นที่พุ่งแห่งตนขนะคนที่ขี้เหงาขี้เบือ่อไม่เวเนี่ยก็พิ่งอยู่กับตรงนี้ไม่ได้เมื่อวานท่านอาจารย์เบสานก็พูดไปนะว่าเพียงแค่เราไม่สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้เนี่ยก็เป็นทุกข์ลนะะตรงนี้นะเนี่ยพอเราหลงลืมหนะลมลืมความสุขที่มีอยู่แล้วในตัวเรา หลงดมใจที่เป็นปกติที่มีแล้วในตัวเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะเหมือนเราขอยแห้งกล้าหายสิ่งที่จะมาช่วยให้เราแก้ไยได้ก็คือน้ําดื่มน้ําจืดๆนั่นแหละถ้าเราไปดืมด่มน้ําหวานดื่มน้าเพื่อสุดท้ายมันจะจบที่น้ําจืดใจที่เป็นปกติเนี่ยก็เหมือนน้ําจืดที่มันให้ความชุ่มชื่นนาภายใน เราภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติก็ ค, คือมาสัมผัสไอ้ใจปกติน่ะบ่อยๆเป็นใจปกติบ่อยๆนี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยที่แท้จริงแนวของชีวิตทีนีน้ใจเฉยๆใจปกติเนี่ยมันไม่ใช่เฉยแบบซื่อบื้อนะเฉยแบบไม่รู้ไนมะ่ชี้อะไรนะเฉยแบบรู้นะรู้ตัวและเป็นใจที่พร้อม จะทำการทำงานเป็นใจที่พร้อมที่จะระเชิญสิ่งต่างต่างแต่ใจตรงนี้เนี่ยนะนะมันจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆในขณะที่เราฝึกเนี่ยนะมันก็จะมีความเม่อางุงอนมีความเบือ่อมีความเซ็งมีความฟุ้งซ่านนะอันนี้เป็นธรรมดานะเป็นอารมณ์ที่จะผ่านจอนมาแล้วก็จอนไปนะเพียงแต่ว่าให้เราตั้งใจมีความเพียรมีความพยายาม ตั้งอาศัยบารมีของพระหมหาชนกนะี่ยคือมีความเพียรต่อไปเรื่อยๆแนะตรง น, นี้ก็จะทำให้เรานะสามารถที่จะมีความเป็นปกติของใจให้ได้บ่อยๆทีนี้เมื่อใจเป็นปกติก็เกิดสันติสุขนะสันติสุขภายในใจซึ่งสันติสุขเนี่ยะจะสร้างสันติภาพให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับโลกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นก็เรียกว่าเป็น ยาบำรุงหัวใจยาบำรุงใจน่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราชื่เชื่นมีกำลังใจน่ะที่จะทำการทำงานต่อไปในการที่จ ะ, จะมีชีวิตอยู่ชีวิตก็จะมีชีวาขึ้นม า, านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้จากการเจริญสตินั่นเองก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้ fishing. นะแล้วก็มีเวลาที่เหลืออยู่ก็ให้พยายามนะตั้งใจฝึกต่อไปเรื่อยๆมีความเพียรพยายามต่อไปเรื่อยนะก็นในท่าที่สศพนี้นะก็ขออ้างเองเอาคุณของพระเสรตนตรัยนะก็คือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพระพุทธที่แท้จริงก็คือสติปัญญาของเรานั่เอง นะพระธ ร, รมก็คือสัจธรรมความจรงิงนะที่ปรากฏอยู่ทุกเมื่อชื่อวันให้เราดูดูเรื่อยนะพระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของเรานั่นเองด้วยความเพียรพยายามของทุกท่านนะที่กระทําอย่างต่อเนื่อนงะจงเป็นพระบัณปัจจัยหนุนนําส่งให้ทุกท่านนะได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจได้ทุกทิพยาราติการเทินเจริญพร Thank you.